สักขาวเก่งจะได้หรปีหนึ่งสองปมะ ค, คำนี่สามปีโอ้ยคนมากระถินนี่ย่าจะไปเลี้ยงตรูไว้ได้เขาน่อยจะรับเองมันคนมากระถินนี่จะไปว่รับกระได้ลนะ้มเขาหน่อยผู้เดียวทั้งอาหารทั้งเขาจะรับคนมือนหนึ่งไ่หมูเขามากีหรอทั้งอาหารไุ่ใช่ขามามากแคนี้ ที่รับคนณน่มือหนึ่งทั้งอาหารทั้งเขา้านะสองมสามมือไหนเ่องมอเราค่คุณแม่แก้วน้องอกไปมือหนึ่งรับคนณในมือหนึ่งคุณแม่แก้วใจนับได้เมยมอญแต่ว่าอออเอาเอาอีเลยถ้าพ่อมันเสียเลียกรยน่ยมันลงเงี้เพราะะนันคือ่ได้ย้อนเลีกดอก็ได้ย้อนคือมัอก็ได้ย้อนขล้ายเขาเพนี่เข่าเข า, ขาได้เป็นเจ้าบุญเจ้าคุณได้รัูมใ่จะพัดเะัะ้ะงพระพุทธศาสนามานี่นะ มูคนวันใดสีคนวันใครสีะเต็มอยู่ฮาราจังของเต็มอยู่วันมันใสีอยู่เป็นเจ้บุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยลบกวนวัมาเจ้าอีกเจ้าพวทุกันช่งชีวิตมีแค่เดียวนี่มีนั่นแช่ข้ออยู่วันวนอ้ยสมัวน้อสมัวามานี่ยกข้างไปนี่ชีวิตคือว่าพราะธาตุควัมนี่ลนี่แค่นร้านเราเพื่นมาเสียงเนา ถ้าวาเอาักขัดแม่มันยังได้เงนินดิงปู่ทมันได้เหรอ่นข้างอามันชีอมันสีได้เห็นยังม่านเ่ถ้าเอ า, ก, ๆๆอาเกักัดอะอะไรเนี่ปู่ก็ัดขีดะนี่อยู่ได้ป่ะท่นข้มามู้่ว่าโกวามเ น, นี่ยลุงมันหานมาท่นปู่บอกอัตมาภาพว่าหนา้าแฝงไปยังหรอวะบอกอัตมาภาพแล้วมันมุจะภาพจะภาพยัไปไส้็รอไงวะ อูมันเป็นน้ําไสกลางคุ้นขอกคือพระเจ้าพระยาที่พิสารฝังเห็นเหรอวาน้ำใสกลางคุ้นขอบคือคิดใจเป็นท้ามเลยท้ามปากว่าวงมวนสัมผัสพระพุทธเจ้าแก่น้ำใสกลางคุ้นขอกน้ำไส่ทอกคุ้นกลางไม่จะ้บอกไว้ทั่วโลกเอาเอา่ยวทํานี่เขาต่รอด ปากเี้ยงเราเป็นนอนเว้นเราเาม่เามา้วนใช่ไบเพีประหาก็นอเกีย่กเ้เาเป็นนอนเว้นเราหม่ว น, นอเพียบปรหารนอ้อถ่าใจอยาวาไป็นถำแม่บอก น, นั่นน่น้ำกระใสท่างกลางท้งขอกระใสวรากระไส่ะไสละสนโสระพฤติควบพกาี ทั้งกลางกับคุณทั้งขอกกับคุณควมเว้ากับประมวลทั้งนอกกับว่าเป็นถ้ำทั้งให้กับว่าเป็นถ้ำอันต้นหน้าใสขอกคุณขอกใส่กลางยึดใจเป็นถ้ำควบเว้าหรือบรรยากาศเาหน้ากบหลวงพูมหาเันนี้่นหนึ่งสัมผัสเนี่ยว่าสัน่นดีเอาดีนั่นหมดเลยจะไปถามเรื่องเบอรเรียบบุ้ลูกลูกหนีหลดตัวสัมผัสเพราว่าสันลูกหนีหลดเนี่ยมันเท่าย่างเว้าอยู่ โวยมันมันฆ่าเท่าน่า้เายังบอกลูกู้มหาลูกหนีนหมเ่เข้าดีใจอะไรเงี้ยเสมอเนีเขาตายขําขึ้นข้ากขบวเป็นห่วงไห้าเสริมมันเายพระธรมประสงขัดตายมากกขไม่เห็นไม่ทราเขาหาสมมติรอยปดมหาสมมตริอ ร, มมต ร, อ, รอกว่าสีนี้จากพระธรรมประสงเลยเร า, าห่วงมัดข้ามซอนได้ไนใส่รกรฐานเกินมากเกินข้ามพรพุทธเจ้าวัดทุกทุกสมัยเลยผูใ้ใดก็ว่าซ้อนดีพระเจ้าห มอนคารวาสอนขัดสอนเนือสอนหมดสูก็จะบวชสูแต่ยังบวดไปสิขันมู้สู้บวดแล้วน่ะใคร่มาใช่บาทให้ใช้กินเบ้อสให้ใชพมาใช้บาแต่พอดืมสามาจีได้สอดาสามาจได้สกทา่าหา่าอหันตืขนกันนะจูการวาทนะจ๊ะฆ่วานะเจ้าพระรามถามยังไารวเมื่อสามาจีอยู่เกิดเจ็ดวันจังตายท่านี่ห้ามาบรลกมานึ่งท่น ว่า่องเรื่องแม่ขาวห้วผู้คน ผ, ผูจะนึงรง่องเรื่องแม่ขาวห้องาร่องคำแม่ขาวผู้ไดทำข้าเราเป็นพระนหาห้องว่าล่ ง, ม, ง, ลงมันสมก็ตายได้เ็มือมันสามัญย่งอยูเพาว่าสิหอกสิจัดเป็นเพศ น, นัง่งพิทนี่กับ่าได้จัดเป็นเพศ น, นัง่งชิคามาน่ากับ่ได้แม่นบอกจัดเป็นจัดเป็นเพศ น, น, น, นั่งสามัญนี่กับว่าได้ว่านก็ต้องตายแม่เขาอะ่แม่เขาสิจัดได้สามใดอน่ะไปจัดได้สามอุบาสิขาพ่นั่นะ แม่บ่กรูบว่ า, าที่กาท่านหรอไปจัดเป็นธรรมเ น, นียี่ก็าอะไรสปจัดเป็นหน้าสิตขรรมาหน้าเขาอะไ ร, รจัดเป็นชิตษุนี่เขาอะไรแม่บอกนันชิตชุนีนน่บวชคนปีหนึ่งปีห น, นึ่งพทุทธเจา้าดัชนีผ่านสายยี่สิบปีจะให้เป็นลุปพระธาตุเยนะคุณผ้นี่ผ่านายี่สิบปีจึ่งให้เป็ น, ปนอกุกพชะาตุได้แล้ว ใ, ให้บวชปีละคนหน้าเป็นชุนี่ อุปชาหน่ยบวชปีแล้ก้นมวยบวชหลายเขาเนี่ยขบวชนาพิซซูนี่แล้วรใครมาบวชกับสงฆ์อีกเปชมสองฝ่ายเขาเนี่ยพวกไปเชือว่าไปบวชนะพิซซูนี่นะนี่มันเนี่ยอุปชามาใช้เขาวางสี่หอกกมาบวชกับสงฆ์สองฝ่ายบอกเขาวางซี่หลักขึ้ยิ่งมาม้ยอเปล่าย่มากนี่ยเนี่ยพูดสี่หลักสี่ลักว่ะแค่ก็มีแน่มันหยัดถึงสุขแก้ยัดขึ้นสอนสี่สุของคมันเอาแล้ววะ่น มันโกงกับอันนัออกเยู่นี่นะเข้าบรลงอันนี้ก็ได้ก็มานอันนั้นอันนี้มันจำมันเคลื่นทั้งหลายเข้าบรลงก็มาทันไดนสูงวัดคนคิดจะฟ้องสูงก็มาทันไดนตรงต่อพระาพันธ์ได้วัดนวางที่นี่ตัวนักท่างเอกมันที่สูนักท่องเอสมัะเอสตาเดียวมันเสีบออกไปข้ารวัดนี่สูนักท่อเอสบันมีนักท่าเอกม บำบาดานจอะไรอย่างตรงต่อพจ้าฮาลาสักการฮซึ่ตบว่าเป็นบทเจดีด้รือฮาลาสักกา้ะแล้วขันวดมาเพื่อฮะพรจ้าอภัยศีพระสวริวันก็บบุตร้าว่าบวน้บุตรพระวันกบุ่ขบวนเัาเพื่อฮาลาเอ้ามันผินว่าจะโคนมันผิดว่าจะลบมุดบทเพื่อควทุกนวัตตาสงสารจนศีสามัญได้พระสวัสดวันท้าววังสินั่นเอ้า ผู้ว่าอาจารย์องค์หนึง่งเสียกับข้าเข้าบอกออกซืลอจะชิ ป, ปีรวมมาแล้วละ่ะข้าไปเสียบหรือข้าราาเสียที่ข้ารกบมืออม่อกอโอยพ่อแม่ผู้ว่าอาจารย์เออคนน่อยครับนี่ตัวผู้จา น, น้อันนี้นี่ตัวผู้จามนําเอียงคนเขามาวัดมาว่าของมูข้าวว่าปูกเอาเล็กเอาผ้าก็มีการูกเอาเล็กเอาผ้าในวัดเท่าไรออกออกไปค้ายหนาข้าว่าข้าบอกแล้วครับ เขาถือเข้ากับเสียเสียเหลี่ยมเขาว่าถือเข้ากับเสีย เ, ยเหลี่ยมเขาว่าถือครับ เ, เ, เ, ข เ, ขเขากะว่าเอามาจากวัดนั่นวัดนี้่ไม่ก็เสียเกียร์ผู้ธาตศาสนามันก็ะทำประโยชน์โประวบราณที่ดีตัวเข า, า <c ười> อะไรไร่ท่านเข้าไปจากไหนให้เขาได้ได้หร อ, อ, อแม้พรแม่ผู้บ่ายจันทร์น <c ười> ี่โบหรือว่า่องใจคนไหว้ท่าน ไม่เขาบอกอย่ยินเลยพระเจ้เรียนเป็นเจ้าพระทันบอกนะโอ้ันยขนอยขกาพูดต้องอีกแล้วว่าพ่อแม่ผู้จาร์พ่อแม่ผู้บาอาจารย์เข้าใจว่าเเพระพาวัทวัดเบอเบอเป็นท่ามจะเลื่นมมนุษย์สมบัติสนสมบัติพมสมบัติบว่าขันพ่อแม่ผู้บาอาจารย์เข้าใจว่าเเร่พระพาวัดวัดเบอเบลุงโบกวี้นี่ยเป็นท่ามจะเลื่ญในท่ามนุษย์สมบัติสอนสมบัติท่านพ่อแม่ผู้่าอาจารย์เขบอกถึงท่ามสักอ่งแล้วบอกว่าสั จยะเท่ารเยอะเาไหปนหาพันวันมาละฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาเลยว่าดีเยอะเท่าเยอะเาไป็นหาพันวันาละเอ้าเขามาหุมพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติ่อเขามีเกียรติในพระพุทธศาสนาดีขน่อยวะเขาเขามาหมพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยเลยพระพรานเขายับย่าพระพุทธศาสนาดีเขน่อยวะเ่าันยะเทาร่เอาไปหาพนนมาละเกงเงินเยอของเขามุ่นเด้ว่าสั่นกเงินเยอของเขาหุ่นเด้ว่าั่น เขามาเขามาซื้อเขาเขาบอกเขาบอกอ่ะเขาจะเป็นเจ้าของเงี้ย เ, เขาหออ่ะซื้ อ, อยาหัวตับผู่แรไเลยแม่แต่เขาไปแบกโลกเขาจไว้บอกนะัน่าแบกโลกกันะสือว่าความฝั น, นี่เขาฟังซีว่า <laughs> <laughs> ว่า be ่วงขวานเนี่ยเขาฟังเข้ากล้าู่ทีว่าควงขวนเขาไปโผอะไรเรื่องเขาอียังว่าใโตโตกนอเรื่องเสียแล้มนภาวนาหน้าภาพวน้าเปล่นนห้าเรหยียบแล้วเจียบท่นเหรอภวหน้ามันเปลี่ยนน้าีเ้ยเฮาบเรื่องไเรื้าเร่นเร่งเบอ์แล้วมันทสาธารลุยเยดียวเนี่ย อ้อหมวกคลาสาดิบุสมาเรียนอาบายยมุกันชอบมันนี้วะสันทั้งนึงก็เพ่ได้ไปบินทว น, น, นาไปเห็นได้ชัดพระพุทิเจ้ายังเข้ารถถ้ำพอใจบอกนั่นมนุษย์กี่บัดอบายยมุกอบายยมุก อ, อบายแปลว่ทาท่ามือดีมุกขาแปลว่าชิบหายซึ่งหนาซึา่งปากนั่นไ่ได้ลำเอีย ง, องเขาก็ไผนั่นกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่กันกรรมและผลของกรรมบุญี่ฮะหลวงพ่อเสือพรทศาสนึ่กัน การทำบุญจะใส่ชื่อรือนามว่าบุญอะไรก็ตามแต่เมื่อทำแล้วก็ไปอยู่ของใครของมันจะชื่อว่าทำบุญต่ออายุของบุญก็ถูกจะชื่อว่าทำบาปต่ออายุของบาปอยู่ที่ดวงใจก็ถูกเมื่อผู้ทำบาปผู้ทำบุญก็ต่ออายุของบุญอยู่ที่ดวงใจของแต่ละท่านละคนทำบุญฉลองอายุ ก็เรามีอายุอยู่เราจึงทำบุญได้ก็ฉลองอายุของแต่ละท่านแต่และคนทั้งที่สามัคคีด้วยเมื่อทำบาปก็ของใครของมันต่ออายุของบาอยู่ที่ดวงใจต่ออายุคนทำบาบมีชีวิตอยู่เหมือนกันก็ทำบาบฉลองอายุเหมือนกันผู้ทำบุญก็ทำบุญฉลองอายุของแต่และท่านละท่านเหมือนกันอืทำบุญแล้ว ก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจทําบาปแล้วก็ไปบวกบาปอยู่ที่ใจเรียกว่าทําบุญบวกบุญเรียกว่าทําบาปบวกบาปอยู่ทุกเมื่ออย่าไปได้ไปสงสัยเมื่อทําบุญแล้วมันก็ลงไปอยู่ที่ใจจะใส่ชื่อหรือนามว่าบุญอะไรก็ไม่เป็นปัญหาจะว่าบุญพระเวทหรือจะว่าบุญฉลองบุญหรือจะว่าบุญฉลองอายุหลวงปู่ก็ตามหรือจะว่า บุญฉลองอายุของพวกท่านทั้งหลายที่ทำก็ถูกมันถูกหมดเพราะมันไม่แสลงกับใครบุญบาปมันเครื่องมันเป็นเครื่องแสลงกับเราและชาวโลกรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างส่วนบุญนี้มันฉลองอายุของกับของผู้ทำกับที่ผู้อุทิศให้ทารลัไมบุญสาเร็จด้วยการบอดีจากทานศีละไมบุญสาเร็จด้วยการรักษาศีล ภาวนาไหมบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาอภิจายะนาไมบุญอภิจายะนาไมบุญสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ท่านผู้มีคุณสูงกว่าตนปฏิทานะไม่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญคือทําบุญแล้วอุทิศให้พวงโลกทั้งสิ้นก็ดีหรือให้เบิดามนดาผูญญาตาทั่วดกว็ดีหรือให้บุคคลผู้ที่เราเคารพรักถือก็ดีทําบุญอุทิศ เพ่อทั้งใจโลกธาตุอันนี้มีบุญอันิงส่งมากถ้าบุญให้เฉพาะคนนั่นคนนี้อานสงไม่มากแต่ก็มีอานสงอยู่เหมือนกันวียวัจจะมาบุญสาเร็จด้วยการช่วยคนขวายในจิตที่ชอบชอบจิตธุระอันใดที่มันที่ชอบเราทำลงไปหรือเราขนขวายทำลงไปมันก็เป็นบุญอันหนึง่งธรรมะสวนะคหมาบุญสาเร็จด้วยการฟังทำ ก็เป็นบุญกองหนึ่งธรรมเทสนามัยบนสมเร็จโดยการแสดงธรรมก็เป็นบุญอันหนึ่งการแสดงธรรมนี้มีบุญมากกว่าเพื่อนสัพพทานังธรรมทาณังชินาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทำเป็นทานให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงเราสอนลูกสอนหลานให้ละชัว่วทำดีก็เรียกว่าปฏิทานละไมเหมือนกัน เมื่อได้เย็นคนอื่นทำบุญแล้วเราอนุโมทนาอนุโมทนาด้วยกิตใจก็ดีและมีวัตถุเป็นพยานก็ดีก็ได้บุญทั้งนั้นเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมา่หมดสมเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญธ ร, รรมัสวัสดนาไม่หมดสมเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไมา่หมดสมเร็จด้วยการแสดงธรรม ท, ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงนี้หมายความว่า บาปมีบุญมีมรรคผลนิพพานมีคุณวิดามันดาปุาตาทวดมีคุณของพระมหากษัต ร, ริยรร์ธรรมนูนตลอดถึงท่านผู้มีคุณนี่เรียกว่าทิฏฐุทุท ก, กรรมการทำความเห็นให้ตรงอันนี้ก็เป็นบุญอันหนึ่งแต่ต่อไปนี่ก็ถึงเวลาจะขึ้นไปข้างบนละทีนี้ส่วนศีลพวกพี่น้องชาวพุทธ จะสมมติรับไหมหรือหากว่าศีลมันมีอยู่ของแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวเพราะศีลมันสำเร็จอยู่ที่การเรางดเว้นศีลห้าประการถ้าเรางดเว้นพพติเลยอย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาศีลขณะจิตเดียวถึงหข้อเลยเรารู้จักอยู่ว่า ข้อนั้นเว้นนั้นข้อนั้นเว้นนั้นข้อนั้นเว้นนั้นหรือสินแปลกก็เหมือนกันถ้าเราจะรู้จักข้อเว้นมันแล้วเราเว้นเอาเลยมันก็เป็นเวรศิลที่ขอกระพระก็เพื่อให้เป็นธรรมเนียมวิธีให้ลูกลูกห ล, ลานเลี้ยนได้รู้จักวิธีเท่านั้นเพื่อรักษาสังคมเท่านั้นแต่ว่าในทางปรมัตถ์ถ้าเราเว้นแล้วก็เป็นศีลหมดลงในปัจจุบันเลยจะสมมติรับศีลก็เอา ทีนี้นั่งห้อยเท้านั่งห้อยเท้ารับก็ได้เหมือนกันในข้างพุทธการนั่งห้อยเท้านั่งกเก้าอี้ห้อยเท้าหรือนั่งตั้งห้อยเท้าเป็นส่วนมากเมื่อเข้าในที่ขับแคบต่อไปนี่ก็พากันสมมติรักษาศีลสักู่นะนะโมจักจะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมจักสักพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมจักสัะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะ ทางสารนังขจามิธรรมสรนังจามิสังขังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยัมปิธรมสารังขจามิ ตติยมเพสสังขังสันนังขจามิตติยมเพสพุทธังสานนังขจามิตติยมเพสารรมังสันนังขจามิตติยมเพสสังขังสันนังขจามิสันนนะสันงมารังนิถิตัง แปลว่าการถึงไตสรณคมนั้นจบเพียงนี้จะว่าพิสดานวันยังค่ําก็จบกันเพียงนี้ปานาจิปาตาเวระมณีสิกขาปัททางสมาธิยามิปานาจิปาตาเป็นข้อห้ามเวระมณีเป็นเว้นแล้วในเรีอันนี้ สิขาพระทางสมาธิยามิเป็นสิกขาบทหนึ่งหนึ่งมาอยู่ที่ใจขั้งห้าสิขาบทก็เป็นเชือกห้าเกลียวมารวมอยู่ที่ใจแปดสิขาบทก็เป็นเชือกแปดเกลียวมารวมอยู่ที่ใจสิบสิบสิบกรรมบทสิบก็มารวมอยู่ที่ใจเป็นเชือกสิบเกลียวสองรยิบเจ็ดก็อันเดียวกันอธินาธานาเวรมณีสิขาพระทงสมาธิามิ เป็นแล้วจากการลักครับย์กามสมิตชาจารเวรมณีสิคขาปัตังสมาธิามินี่พวกรักษาชิ้นห้าพวกรักษาชิ้นแปดอภัมจจยาเวรมณีสิคขาปัตังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิสุราเรมระมะเชพมาทัตถานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิ สุราเมระมัชชะปะม า, าทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยมิผู้รับสินห้าจบเพียงนี้อิมานิปัญจสิกขาปธานิสีเรนะสุกติงยันติสีเรนะโพคสัมปทาสีเรนะนิปติงยันติตัตม า, า, ม ส, า, ส, า, ามสีลังวิโสทะเย พูดชิ้นแปดต่อไปวิการะโพชนะเวรามนีสิกขาปะทางสมาทิยามินัจคีตวาทิตะเวโสกัสสนามาลาคันทะเวเลปนาาราณะมันตะนวิวภูสะนัฐานาเวรามนีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ อุจยาสยามมหาสยนาเวรมะนีศิขาปทัทถังสมาสิยามิอิมังอังคริยะสมนาคตังอุโปโสถังอิมัญเจรติณิมัญเจติวาสังสัมมาเทวะ อภิรักษิตุงสมาศยามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานเอาองค์อุโบสดอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการจ้งได้สมาทานมาแล้วนี้เพื่อจะรักษาไวาให้ดีไม่ให้ทำลายตามความประสงค์ของตน จะเป็นกี่วันก็ตามแล้วแต่จะปฏิบัติได้เพื่อประโยชน์ <c oughs> เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทาั้งหลายเพื่อพ้อนทุกข์ในวัตฏสงสารด้วยโดยด่วนตามความประสงค์ของตนจงสำเร็จตามความประสงค์ของตน อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั้นเถิดอิมานิอัทาสิคาปาทานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกัสัมปทาสีเลนะเนสุติงยันติตัตมะสีลังปุเอโซทะเยอะกรแบบนี้ก็จะอยวๆๆกัน ที่นี่มงคนจักรวาลไงมันได้แต่หลวงปู่ผู้เดียวเนี่ยผู้อื่นบุรายไ่ด้วยนบุราห์นะใคให้ตั้งสี่เอาเถอะเว้เฮตดตามหลวงปู่มหาถ้าเหตุตามธรรมดาถ้ามันที่เป็นพิธีบีตองพอดเฮ็ด <c oughs> ตามธรรมดาซะเออเหตตามธรรมดาะละหลวงปู่อือถ้าถือสมมุติดถนามลดนส้มันก็บ่าถืกมันไปบับไงซะ ถ้าสมมติอันอื่นมันเกษตรว่ตถุเนี่ยหลวงปู่จะหายพ่อนชาปพุทธะกับกสมควรเนี่ยหรอกอันมันเป็นเรื่องตื่นโพดว่ามันเป็นเรื่องตื่นคือทําเป็นแบบเป็นสภาพดิ์เกินไปโพดว่าเรามันกษติเป็นเรื่องให้เป็นฮักดอกไม้บุษราของชีมาไปเรื่อยพปหมดทีทดีแล้วตอนนีว่ะสืเราเอาตามเดิมและน้อเข้าเกษิรหายพ่อนธรรมดาเนาะหายพ่อนธรรมดาอ นั่นก็ถือว่าบุษาพระพุทธเจ้าเน่ๆนั้นก็ได้ถือว่านอมบุษาพระพุทธเจ้ามัเี่ยพิ่นกาลังเช็ดรข้างท่อง่าให้หนึ่าสั่นักข้างท่องักง่าเลยเอาจะมาให้มาท่านมือนี่มาสั่นมันบ่กท่านมันเอามาตรงมาถึง่าสั่นรักข้างท่องมักง่ายทออนุชาทออนุใจพนน่ะอักข้ามือหนึ่งมาสั่นเออวัดที่เอามามือนี่มันบท่านมันรถ เราพ่อซเขาบอเอามาให้เขาสุระแล้วฝากรถอันเสียสมหมายมากสัตว์เหล่ามาทอดที่หลังสัตว์แล้วข้างท้องอันเพื่อนลูกข้าเจ้ากระเชิดม้าเนี่ยคนห้าวมูห้าวกัก็พ่อดีละซ้านี้กระไรคนร้ายๆกับคมีที่อยู่มันก็ห้ามันก็ตัดแตนแม่งมันก็ซ้านี้ก็เอาละเอที่ไปเอาเพื่อนมาเสียบห้าวกับบาไหนว่า ข้าวกับมูฮั่งกับมีซ้ำนี่ได้เคยได้กินนะท่าน้ากันมาแต่ภพกรศาสตร์กรมามันกับมาซ้ำนี่รักเทวั ง, งอะไรเราค้องไฟของมนันแม่นว่าเออเอาสั่งแล้วเนา ะ, ะข้าวจาสสวดมนต์เป็นพิธีกับพระสิงห์งโพธิพระจะเพ่งโทษเท่าหลวงปู่นี่คือลืมสัวแ้มาสวดมนต์เป็นพิธอพิธีปานว่าพระเป็นผู้จัดการจัดงานขึ้นกรกฤช เ, เขาจะเพ่งโทษเท่าหัน มูเชื่อนก็ได้ว่าากบิจนาอยู่อันนี้ก็ดาะที่นี่อะไรนี่เอ๊เดี๋ยวเนี่ยมาท่านมาเออมาล่วงขนา ด, าา น, าดานึงก็สวัสดีซอยย่ามกินเนะ <laughs> าะย่ามกินวัดเตว่าอยู่หรอพระพระให้ให้เตวายุหันว่าหลวงปู่เนี่ยพ่ามากินส้นเข่าจักรเทียบอกเขาไปว่าอะไรจำเนาะ อันนี้เราไอเดี๋ยนี้มันก็มาเดี๋ยนี้เรามาอยู่ที่หัวใจเราเลย <c oughs> ไม่ได้มาตอนเย็นมาเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ที่หัวใจเราแล้วนี่ลึกจนมองไม่เห็นลึกจนมองไม่เห็นนะยอมจริงจริงเรา <c oughs> คนลึกจนมองไม่เห็นนยเรายอมมาก คนที่ลึกจนมองไม่เห็นเรายอมมากคนที่ตื้นเราอ่านออกดูถ้าคนลึกเราอ่านไม่ออกคนตื้นเราอ่านออกถ้ามันลงไปเราขุดไปเราขุดไปมันก็ออกจากกรูเดิมรู้ทางอื่นไปนะอันนี้ขุดไม่ถึงเลยอืม มาอยู่ด้วยกันสิบ ป, ปีเรายังไม่รู้จักหัวใจเลยเราตามไม่ทันคนอื่นเราตามตามทันบ้างคนนี้เราตามไม่ทันเนี่ยเรายอมอยู่เราเป็นาระแท้ตามไม่ทันไม่รู้ว่าอยู่ในระดับใดนอกจากนั้นเราตามทันอยู่เพื่อหมูนี่หมูนี่เราตามไม่ค่อยทันนี่ตามไม่ทันยอมลกตงขาว ที่เดี๋ยวเนี่ยส่วนพระส่วนพระอาคันตุ ก, กะนั่นเราต้องเอาให้ให้ทันกับเวลาถ้าอย่างนั้นไม่ทันท่านเนอะท่านก็ต้องขอโอกาสท่านถานดูดูทีนี้ถ้าเราจะเอามงินค่าให้ท่านใส่กระเป๋าไปมันก็อยากเกินไปไม่ได้ไไดทีนี้เราเปลี่ยนไม่ทัน เราเปลี่ไม่ทันก็ต้องถามท่านว่าท่านจะถามที่อยู่และส่งไปถามที่อยูและส่งไปและก็ถามญาติโยมที่มาด้วยท่านมาทำญาติโยมคนไหนในไต่โลกธาตุเนี่ยจะเอาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์มาใส่ไม่มีที่ใส่ยัดเยียดเหลือเหนือโลกไปแล้วถึงจะยดลงมาเป็นหนึ่งก็ตามก็ไม่มีที่จะวางคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ถึงจะขยายออกก็ไม่มีที่จะขยายออกเพราะเต็มอยู่แล้วผู้มีปัญญามากก็เห็นมากผู้มีปัญญาน้อยก็เห็นหน้อยพระสารีบุตรเห็นมากกว่าเพื่อนท่านบอกว่าจะ ล, ะลึกถึงคุณพระพุทธธรรมะสองอยู่กี่กับกี่กันมันก็ไม่จบพระเจ้าข้าเออดีละเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ต้องเห็นมากสิพระรมศาสตาพวกเราเหมือนกันผู้ใดมีปัญญามากก็ต้องเห็นมาก เพื่อะไรมีปัญญาน้อยก็ต้องเห็นน้อยไอ้ที่แท้คุณมาพุทธธรรมประสงค์เต็มไตรกรธาตุเลยถ้าว่าคนอื่นๆเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธรรมประสงค์หมดอยู่ในตัวเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาเนี่ยในทัพไตรกรธาตุถ้าคุณพระพุทธรรมประสงค์หมดนี่ไฟมือนี่ไฟพระพุทธธรรมประสงค์ก็บูชาพระพุทธรรมประสงค์สัจชาเห็นแก่หน้าฆ่าซื้อ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอามาให้เอามาให้ก็เป็นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามเดิมไม่ใช่ของหลวงปู่ไม่ใช่ของวัดผู่จก็ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเนี่ยในไต่โลกธาเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดตลอดทั้งวัดทุนิยมและอุดมคติแล้วไปทีนี้ถ้าอย่างนั้นมันก็จบไม่เป็นถ้าอย่างนั้นมันก็จบไม่เป็น ให้พรแล้วก็ยังมาเทศขึ้นอนเอกอยู่มันก็ไม่ถูกกระจกไม่เป็นเบืองต้นของพ ม, มจัน์ก็คือสูปฏิปันโนหัวดำหัวขาวกระซางเพลศร า, ารวาสกระตามผู้ถึงสูปฏิปันโนแล้ววัชระได้อยากลงละเมิดเส้นหาวัชเะได้อยากถือศรรสาสตราตอื่น เมื่อเสียดายอยากถือเวทมนคนและค่าถาเมื่อเสียดายอยากถือเลือกดีย่มดีเมื่อเสียดายอยากฆ่าขายมนุษย์ค่าขายไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็น เ, เนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายน้ำเมาฆ่าขายยาพิษการค่าขายหายางนี่เป็นข้อห้ามของเศร้าโลกว่าให้ประกอบ เขามาอุบาสกอุบาสิกาก็หมายถึงเ้าโลกอ่ะเป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ประกอบเป็นครือเป็นเครื่องห้ามของค้งรหัสไม่ให้ประกอบเขามาข้ารหัสก็หมายถึงโลกทางปวงด้วยสมบัติของชาวโลกห้าประการผู้ที่อยู่ครองฆรวาสประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมประสง์ไม่สงสัยเลย ไม่ขนไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้ ง, งในสมบัติท่าประการและเว้นจากวิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่แต่เนือ้อเพราะมีกระดูกเอามา้าเพร่ะย่มไหนกับผมไม่ยามบูดยามเนา่าเพาะเป็นหนทางกระเตียนเพราะมีสรุปสุดโอ เปลี่ยนอยู่ตรงีก็เม่ลงคืนไหวชีดเดินบ่เดินสรทางเปี่ยนอยู่ซ้ำนั่นบ่คือคาหานนันท่าภายนอกเข้ามกโคมาร้างอันวางหนท่าเทียบไปหันท่าภายนอกเป็นบุคคลาธิฐานก็นมักจึดมักใจมักค่วมปฏิบัติขนาดสร้างอันไหนลองแล้วบ่ว่าทั้งบุญหรือทั้งบาปผลว่ต้อง ก, การก็ได้รับตามส่วนควนคาของเหตุที่ทำขึ้นเหตุพืชกรรม ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็มีต้นไม้อันเดียวกันส่วนไปทางทางในทางชั่ว่าแล้วแต่เหตุกรรมพืชเป็นประมาณเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุยืนผลก็ยืนเหตุนอนผลก็นอนเหตุรักตาผลก็มืดเหตุกับผลปร่โยห์ห่างกันพ่อเก้าเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา อไปจะไปทางไหนวันนี่นครพรนมนครพนมานไปนครพนมจะไปไหว้ธาตุกับเขาแล้วถ้ากขามาฐานของเราไปว่าธาตุเวลานี่มันไม่สะดวกมันคุกกลุ่ย พ่อเนี่ยได้นั่งสื้อคับมาด้นบบอครบแล้วบอครบแล้วบอาุบ่โตธโมธงโกบ่โตเออบ่โตธโมธงโคบ่โตธโมธงโกบ่โตธโมธงโก่บ่โตบ่โตกั้แก้แก้ให้พรแก่พเลย ยะาวะเรวะาปุราปะเกูเรนเทสคะลงเอวเมวะอิโตตินังเปตานงุกปติอิตังปิิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิตาตูสัพเพปูเรนทุสังกปาจันโทคนอะไรโธยะาโมนิโชติรโสยะาระพีติโวัชันตุสะพะทุโโสัพพโยสพโรโขวินั ตโตมาเตภ ว, วตวันตรายโอสุขีทีพาโยโกพระอภิวาทนสีลิสานิปยงวัฏฐาปยายโนุจัตตาโทรธมาวัฒนติอายุวันูสุขังพระหลังสโสอัธรโทรสุขกโตวิรุโหพุทธศาสนาโรโคสุเกโตโหหินะสพเพหิยติิสาอัธรัตธาสุเกตาวิรุฬหาพุทธศาสนาโรคาสุเกตาโหหิ นาสะเพติยาติภิกเตอชะรัตตาสุกตารุลหาพุทธศาสนอโลคตาทุตา นะสัพเพยาติภิพขวรตุสัพปะมังคังลคันตุสัพเทวตาพระพุทธานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตภวัตุสัพปะมังคังลคันตุสเทวตาสระัฒมาณุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตภวัตุสัพปะมังคังละคันตุสเทวตาพรสังคานุภาเวนะะทาโสติภวันตุเตเตทัพปะั้งไตุสทตาโยนิสีทุกขหน้าจงเป็นสุขในพุทธคมสงู่ทุกเมอเธอรแลกได้ไม่ได้กว่าดี สุขในพุทธธรรมสงสุขในพระสวัสดิบรลชักขาคามีอาณาคามีอรันสุขทางอื่นไม่ได้ดืนม้อมเถเป็นสุขที่ไม่แน่นอนสุขพุทธธรรมสง์นับแต่สุขพระสวัสดิบรลเป็นต้นไปเป็นสุขที่บานหน้าเหมือนนางพระจันทร์เลขึ้นขึ้นแล้วไม่กลับมาแรมอีกเหงั้นเดือนเอวังไปเกิดมาใช้ซื้อว่าบุญมันก็ใช้เพราะไรมันบรรยัติบุญมาถือเพื่อศาสนาอื่นคาสัดไปสวรรค์แล้วมันเขาจะคาโต้ไปสวรรค์ผลไมยอด บัญญัติบาปบุญว่าถือศาสนาอื Jean, า aby, า่นก็คือพระพุทธเจ้าของข้าวพระพุทธเจ้าของข้าบัญญัติบาปบุญถือได้จะมาสร้างสรัค์สรรพยันชน่างเจวราปริปุณังปฏิสุทธังพมจยางประกาเศเสสิบริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะและทั้งเมื่อต้องเบื้องต้นเบื้องกล า, างเบื้องทใายด้วยเบื้องต้นคืออะไรคือศีลเบื้องกลางสมาธิเบื้องทใายคือปัญญาเบื้องต้นคืออะไรคือทานคือศีลคือภาวนาเบื้องกล า, างเบื้องทใาย เบื้องต้นคืออะไรคือสุพเทพโนอุชุญายะสุพเทพโนเบื้องต้นอุชุยายะเบื้องกลางอุชุยายะสุพเทพโนเบื้องต้นอุชุพเิพโนก็เบื้องต้นแต่วาละเอียดกว่ากันยายะเบื้องกลางสามีจิเบื้องทานน้ายศีนั่งางพุทธศาสนาสีนหาเป็นโลกุตละศีนถามว่าเห็ดได่แดงไข่พ่อย ควาสันพวกพระเนม้เนียมันด้พระสวดิวันนั่เดยวสมนเล้วมันดางมันพออย่างนี้มันเสียดายอยากง่วงละเมินด้วยเนี่ยมันสียดายั่านผ่ายังไงอว่ามันเสียดายอยากงวงละเมิดมันจำคอยสิตบริสุทธิศีลนะสมาสิมันกระตั้งมันเยอะในศีลเหมือนกันศีลานุสติอันเหนียวแล้วถึงศีลที่ตัวรักษาอันนี้ศีลท่านศีลพะวนาของพระสวัดาวันเป็นท่านศีลพรวนาศีลจะปลุกแจงแท่งตลอดเนี่ยมักผลในผพานนี่ นโมพระสดาบันเป็นนโมพระลงท่างหุ่นักท่าเขาซูพระนิพพานเบื้องต้นเดินทางเบื้องต้นข้างเขาสูพระนิพพานนโมพระสดาบันแปลว่านอกนอบนอบนอบที่เดินทางที่บอกว่าใส่แวะขวานนโมสักขะท่าข้ามี่เป็นนโมที่เบาไปก็พระสดาบันนอกนอบเก่งกว่ากันไปอีกนโมพระอนาคามิเป็นนโมที่บอกมีราคะนอบนอบจนบอมีราคะทัวสาขาดก็เจิงเลย นโมพาาระละหันเรียก น, นโมจบแล้วได้บุญแล้วจบจิตของนโมแล้วกันจบจิตของนโมคดจบจิตของพระพุทธศาสนาเหมือนกันวางกันตั้งก่อนน้องมาพระพุทธเจ้าก็รับรองเป็นยังจังไม่โรค ก, กี้กับโรคพุทธะมาผลเปกันปัญหานักธรรเอกผูกกันเดียวนี้แหละแก่เดียวนี่ ทำไมจึงมีโลกีมาปนไปกับศาสนาพุทธอยู่ขอตอบมาให้สมภูมิบ้างผูกันเดียวนี่นะผูกปัญหานั้นเอท่านเรียนหนังสือมาขนาดนี้แล้วท่านธรรมวิจยะของท่านจงสอดส่องทาดูสิจงวิจารณ์ทำอยู่สิทำไมจึงมีโลกีมาปนไป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 เป็นต้นไปนอกจากนั่นไม่ไ ม, ไม่ไม่รับรองเหตุอย่านั้นจึงว่าสุภิญโญชุยายะสามิจินี่นะเอสาวยของพระพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าสายท่านผู้นั้นสายท่านผู้นี้เป็นสาวกของเราสายหลวงปู่มัน่นสายหลวงปู่โตสายหลวงปู่อันนั้นอันนี้เป็นสายของพระสมมาธรรทธเจ้าไม่ได้ว่า บอกว่าสุพัจปนุยุชายสามีสิท่านนั้นเป็นสาวกของเรายืนยันเท่านั้นทะารมศาสน า, านักยกพุทธหอนพโมกขณาสารีบุตรก็ต้องมาเหลืองใสทพุทธศาสน า, าสกรจึงสามารถเป็นทศดาบันได้แม่นบอกท่านมหาขันธ์เบอแมนว่าเสนาท่านมหาเนี่แห้องวไดเรียนตัวเลีย เาเสว่าเสนาโตเขาเข้ามานังรับสารพระวานาข่าว่าแม่นวัไหนโตว่ามากมึงดูเออโตเป็นมหาศีประโยคแม่นวะสามประโยคอหาสามประโยคโตประโยคกายประโยควาจาประโยคใจประโยคศีลประโยคสมาธิประโยคปัญญาเออจะเทียบได้ประมตทเอ่อ ภาษาไดบุตรกระพมูหคั้น่าตอกค่ายค่วมเหลืองใสของสนชัยนาฏตบุตรจึงสามารถเป็นทศราบันไดเมื่อมาเหลืองใสพระอาทิตย์ตก็ถับว่าเหลือมใสพระพุพะทพธธรรมประสงแงตัวค่ายจากนิ่งกายนั่นแล้วพ่อมาเห็นอาทิตย์ก็เรียค่ายจากนิ่งกายนั่นก็ได้มาฟังเทศพระอาทิตย ภาษาเรียบุตรโอ้ยท่านหนี่ ม, มีมีผิวพันวั น, น่ะพองใสแตแท้ท่านบวชเนี่ยสำหรับผู้ใดใครข้าพเจ้าที่ถามท่านกำลังท่านบินทับาจู้อย่างนี้นึกไม่ใจเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราสีตามออกไปตามพระภิกษุออกี้ออกไปหอดหนอกบ้านเฮายังสิถามมนกะน เสกาอาไปแล้วท้อยกับเลยเหลือบใส่แล้วขัวเหยอดคู่แขนนียังมีสตีทุกทีไอ้เนี้ยบทเข้าประกดในใจของเขานี่เะมี่ทงงั้งหลงเลยดิผวพรรณวันนาะกับพองใสเหมืันบทช้ำนักผู้ใดเน้อเขาน่อยสันพวิบบานเนะี่่นก็ บ, บอกว่าบทช้ำนักของพระสมณะโคโดมท่านสมณโคโดมสั่งสอนจังไรเด้อวน โอ้ยเข้าเป็นพลิกสูใหม่บ่าสามารถจะสแสดงข้ากวางขวางให้ท่านรู้ได้เพราะเหตุใดจึงมาสัตว์เป็นพรนะอรหันต์ก็เพราะว่าสาดีบุตรอยู่ในสวนไทยนะสมมติเขาเล่าลือทราบว่าเป็นคนมีปัญญาก็เลยพูดทอมตนไว้นั่นพระอรหันต์สลับเ้พูดไม่เหมือนใครห้วยผู้ข้วขาว่าต้องการพิสดารเลย ผู้ค้าต้องการย่อยยอดรอกว่าไงโอ้เทียบเอาธรรมจักกับประวัตนาสูตรมาเบอกน่อสูตรอันนี้น้องย่างจินเสียสมุรทรยะธรร ม, มังสัพพันตังนด้เลยถ้าทำมันติสิ่งได้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูนเป็นธรรมดานี่เอาธาตุศาติตธรรมจักรมาเบาอกหัวออกหัวใจพระธรรมจักมาเบอกโอ้ยเข้าใจพ่อแล้วพ่อรนะู้ไหม มือนี่จะไปหาเชียวกันนะว่าสันคึดแนใ่ใจพระศ า, าสดาอยู่วันไหนอยู่ฝุ่นยู่พี่ตัวแร่ล่าเพันไป่า้เข้าใจแล้วฝ่ายขมกขันล่าเห็นเป็นเชียวกันแน่ท่าอยู่น้งสนไชนาตะบุตรโอ้ยเขวพันวัฒ น, นะคือต่างเก่าแท้เมื่อนี่นาตาพองใส่สันคิตคือเบอิดบานมังซ้อง่าสันตัวแต่ทําพิเศษกะมาบอกให้เขาฟังในตี้เชียวเลยมาสัน เขเดชทพิเศษถี่มากเลยเขาฟังเหมือกันพวกเสด็ทําพิเศษก็มังมือนี่สันกัดขาดกระเด้วพวกพิเศษกัน่ะเขาคยเป็นเชียวกันมาอาตมะพุดจะขังพระเจ้าอโนมาทัศสีปวดล่ะประธานาไปทดีชาวเวียนามาตบอขัวมาต่าพุนว้าวันไหเกิดตเฮตที่ไนเกิดรับเจตเฮตตัวเชียวกันโอ้ยเขาเขาใจซื้งกันนี่แล้วก็เสียบอ้วนสันนี่ันหว่าไปสันว่เขาไปลสนใจนาตบุตะวาสัน ไปหาพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าวิสัยวะสันพอได้ทราบข่าวว่าพระองค์เจ้าเกิดแล้ววะสันไปก็ไปตีมือเข้าวะสันพอหนีจากชนชายนาฏบุตรเม่บริวารหารอยขนพวกเงาพรกันเงามดวัดมัดว่าเลยสาวกผู้สลาดเนยหระเออคนโง่ก็อยู่นําเข้าซะคนสลาดให้ไปมำหาไปหาพระอ่าไปไปหาพระโคดมใช่เนาะวะสัน อาห้องสิเอาจ้าคนงูเราก็ทันเครียดก็ประดใจกันก็แ ล, ล้ไปหาพระองค์เจา้าพระองค์เจ้าก็เลยบวชให้พวกนีอ้คูสมถะบ่ได้นอ้อนเพราะนี่นได้ปฏิบัติอยู่ไปปฏิบัติอยางพระองค์เ <c oughs> จ็ดมือพระโมกขล่าก็ได้สำเร็จพระอาหารหันต์พระสารีพุทธสิป h a มือ ในสำเร็จพระอรหันต์พระโมคคลลาในเจ็ดมือในสำเร็จพระอรหันต์ไปทำคนเพียรเยานกันล้ว่าละมุนตะข้ามแข่งมคตไปนั่งทับประงกตัวแล้วพระพุทธเจ้าแล้วบอกวิธีวิธีแก่ง่วงเหงาหานอนหลายวิธีถ้าเธอมีมนอะไรเธอจงเอามาท่องบน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 แล้วเอามาแพ่งในใจจําแสงสว่างตอนกลางวันวันไว้ว่าลักษณะมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงจําแสงสว่างไว้ในใจเรียกว่าอะโลกะสัญญาสัญญาไปเอาความจำถ้าเธอยังละไม่ได้เธอจงดอนช่องหูเอามือรูปตัวกลับไปกลับมา และมีสติอยู่ในที่รูปนี่ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ถ้าเธอละยังไม่ได้เธอจงเอาน้ามรูปตาแล้วเนียนดูดาวทั้งสี่ทิศข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้มีร้ายอันนี้ประ ย, ย่าถมกขลาดอ่ะทะยานยามทั้งคนเพีย้ยนก็สําเร็จภระหานแน่ว่า น, นั่น เกี้ยมือในมือสิบหามืออะไรภาษาเรียบุตรที่เซมเลสทหารมือที่เซมเลสทหันร่อไปยูไปพักดูทำสุกกะละขาตาที่เรียกทำชุกกะละขาตาหลวงปู้มันว่าทามือดุดด๊ดด้วยสั่นทมือดุ๊ดดสั่นทุกพรกผู้มันแปลแล้วก็ไปสร้างเทพ กับนี่ที่คณะอักขิเวสคณะโคตเขาไปถามพระองค์ชิ่งหนั้นควรแกเราเราควนชิ่งนั้นชิ่งนี่มุควรแกเราเราไปค่วนชิ่งนี้เราควรแกก็ชิ่งหนั่นยางบางสิ่งบางยางถ้าความเห็นเชนี้นั้นก็ไม่เป็นที่บริสุทธิ์กับของเธอเพราเธอเห็นเข้าข้างตัวเธอจงเห็นเข้าข้างธรรมบ้างโดยใจขั้วม า, า, รวาพระชายาเบทพระองค์เลยแสดงพระหอด ลูกเวทนาสัญญาสังขารเวีนานเป็นของบาเทียงเอขคืนมาแล้วก็แปดับไปเหมือนดังหัวฝีแตกสลายไปภาษสารีบุตรก็ทำงานพัดที่ทั้งหลังงานพัดหอนขึ้นที่แม่ละดูหอนคือมันจะเป็นทั้งสันพระส า, ารีบุตรเอาพระอรหันต์ไปกินแล้วทํางานพัดที่ท้างหลังที่าคณะอักขิเวทคณโคดได้ทั้งพระสวดด h a r ือ ไต่ถึงใต่ชนาคมเ็อยากว่าถึงพระโสดาบันเนาะได้พระถึงได้ถึงพระโสดาบันงั่นกันเท็กันเดียวกันสร้างแล้วผู้สิไดรระดับจิตตั้มก็ได้ตั้มผู้ใดดับจิตสูงก็ได้สูงคือคนเสมอเขาไปหาพระหาเจ้ากันเทศกันเดียวกันเพื่อที่ผูกเอาเลพเพื่อที่จถึงไต่ชนาคมเพื่อที่จะไจักกวามหมายมันขึ้นด้วยกำลระดับจิตของฝ่าของมัน แล้วดอกบัวที่เราเนี่มีแต่ขังพุทธกาลข้างนี้ก็มีอยู่ดอกบานกับบานเต็มพู่ดอกตูง ก, ก, กับตูงเต็มพุ่มดอกตะเม่าน้ำตะเม่าน้ำเต็มพุ่ ม, มพมูดอกใต้น้ำ ก, กับอุปมาคือผู้ถือถือว่าตายแต่ศูนย์หมื อ, อยังวะหงมเมืองเทีบเมืองไทยเอยงเพราะมีคตติหลายยาบางที่กับพ่นน้าบ้าบางที่ก็เป็นภาษาแห้งป่าและเตา ดอกสเสมือน้ามึงก็อุปมาลุกคลนผู้สนใจในพระพุทธศาสนาบ้างใ น, นศาสนาอื่นบ้างพันกันบ้างดอกคนน้าแน่หละอุปมาคือพระโสดาวันดอกใกล้สิีบ้านอุปมาคือคือพระอ น, นาคามี ดอกบานนั่นกุปมะคือพระารหันเอานั่นแม่ก็มีก็ทุกทุ ก, ท ก, ทกสมัยนี่ศาสตราลองไปท่านั่งท่านีม่มาผลเนี้ผพานมัดแล้วเจ้าสาราชั่งไหนเจ้าสมองหุยจักเข้ามัดมดเจ้าค้นตาบอดเจ้าทีไปหุยจักค้นตาดีจังไงอือพาราหันว่าเมย์ดอกพระสุรบาลว่าเมย์ดอกพระสกทาข้ามย์ว่เมย์ดอกเพราะว่าคนไปตัดสิ้น มันผู้เผยทัศน์ศหมือนกามาร่มเหมือนว่างขาดจากคันทะสันานเท่าสะร่วมกับว่างขาดจากสันทะสนานโมหะร่มเหมือนว่างขาดจากคันทสันานจังไหนยังสิ่งหุจักถ้ามันว่าเกิดว่ดับได้จังไหนจังสิเห็นพระเสด็จวันสกทาข้ามี่อานาข้ามี่อรหันได้ตัวสนเข็มตัวขนตาบอดว่าหุจักขอดเข็มว่าหุจักขอนได้ว่าหุจัก วดบัณฑิตสนเข็มไปปฏิเสธเราว่ามีผู้สนเข็มได้ตัวง่ก็นไปยืนยันว่าพื้นที่โง่ตคนทุกข์ยืนยันว่าพู้ที่เป็นคนทุกข์พวกเขาเป็นเศรษฐีเขาก็ยังไม่ยในแน่สมัยเสมอหนี้นาคนชิดนี่เมืองวันเมือ่อขยืนยันวัดแต่ตตมนะูตเจ้าูุมันเป็นของดีเมืองครูมังเพืองมังตะยืนยันเจ้าเกศสอนเราไม่ี่ยเป็นของดีมันประชาธิปไตยของใครของมัน่นอย่าวางไลยกรรมมุนาวัตติโลก้สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมนั่น ผู้ได้กรรมยุระดับได้กระยืนยันอันนั้ น, นเหตุทั้งทันจึงว่าทํามคาสอนแจริวัตรระบาดตรงต่อภายนความมื่